ดีไปหมดถ้าทําเข้าเป็นเข็มทิศทางเดินอดีเพียงชื่อว่านายดีนี่มันเต็มในเดือนจํากว่าเยอะมีแต่ชื่อดีด้วยความเสียสละนี่เยไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ใช่ไม่ได้แต่ทํานี่ดีด้วยคุณภาพจริงจริงทำเท่านั้นที่จะทําคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงดีเฉยด้วยความเสียสปั้นเดียวกัน นั่นมันดีแนวโลกในที่ว่านั่นมันแล้วมันหาความชุ่มเย็นไม่ได้นะมันผิดกันอย่างนะดีด้วยความเสกสรรปั้นหยอมันดีด้วยลมปากเฉยภูมิไปด้วยลมเฉยไม่ได้ภูมิด้วยความคุมณสมบัติปรากฏขึ้นกับตัว ต้องการเป็นคนดีสิ่งที่ควรหักห้ามต้องหักห้ามทันทีห้ามเจ้าของถ้าไม่ ห, าห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้ไนความชอบใจไม่ใช่ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปโดยลําดับก็ห้ามมันเสียเนี่ยเมื่อเราห้ามแล้วแล้วอะไรก็เลิดมามแล้วห้ามแล้วห้ามเราจีตใจของเราถ้าลงได้ฝึกจนเป็นนิสัยทาง ภายในใจด้วยทำแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปั๊บมันนี่เหตุผลมาพร้อเพราะควรไม่ควรน่ความอยากมันแซงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แนบกับจิตแล้วนี่กต่เหตุผลควรไม่ควรเนี่ยควรทำหรือไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดควรกินควรดื่มควรอะไรอะไรหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จจเอาเหตุผลนั้นรักษาตัว ถ้าเอาความอยากแล้วแหลกถ้าเอาความอยากเขาเป็นจเจ้าของแล้วมันก็เป็นเ ป, ดปรดไปในตัวของคน น, นั่นแหละเปรตยังไงวะอปากเท่ารูเข็มเนี่ยท้องมันเท่าภูเขาเนี่ยคน้นไปทั้งหลายมันก็ไม่อิ่ ม, มปากเท่ารูเข็มกับท้องเท่าภูเขามันจะสมดุลกันได้อย่างไงอินเท่า์เน็ตมันก็ไม่อิ่มนี่นั่นแหละคือความอยากถต่ว่า มันท้องมันเท่าภูเขาเนี่เพียงเราจะขนขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเข้าลูเขียนที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันมันไม่มีวันอิ่มให้เท่านี้มันอยากเท่านั้นให้นี่มันต้องการเท่านั้นออืเราให้มันมากเท่าไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ที่ให้แล้วไม่มีมันจะต้องขยายตัวออกเรื่อยท้องมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยเขาเรียกว่าเปรต มนุษย์จะไปโตน่ะต่าเข้าดูเข็มเพราะความโลภมันมากอ๋อมันจะชัดอย่างนี้เมื่อความโลภมันมากความโกรธไม่ได้มีไหนใครมักขัดแย้งผลประโยชน์ได้เหรื อ, อความโกรธนขึ้นจริลืมตัวอันนีนมนุษย์ขาไปโตทำไมบอกว่ามนุษย์อาจารราราชาบอกว่า พวกเปรยปากเท้าดูเข็มมันก็จะมากมันจะเกินไปนั่นเลยว่ามนุษย์สาเปยตัวเราท่านตแปรนันก็ปนแปลแยกออกไปอย่างว่าเนี่ยใจเป็นเปรยเป็นผีอหาเจ็บหาเลยหาแท่นั้นแท่นนี่บายมันมีความอิ่มพอล้วสียิ่งดที่อย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพรนโรงบาลโรงบ้าที่ไหนไปดูที่เป็นไปหมดนั่นมันพอที่ไหน คนมีลูกมีเมียมีอะไรหรือครอบครัวทั้นั้นผู้หญิงก็เหมือนกันอื ม, มันไม่พอด้วยกันทั้งนั้น่ะถ้ามาเอาสินธรรมเข้าไปกดไว้ให้เป็นปร ะ, ประมาณพอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีขอบเขตคนเราถ้ามีขอบเขตก็หาความสุขได้เท่านีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียกี่คนก็เถอะมีผัวกี่คนก็เถอะคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมากอืมมีผัวมากนะ ท่านพุทธิจารท่านยังสอนว่าอภิชตามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็สอนตามจุดอย่างที่ท่านสอนว่าอภิชตาให้มากน้อยมากน้อยเ น, นอะไรให้มากน้อยใ น, นอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องของเราเมือม่อเป็นนั้นละจิตมันก็ไม่ปีนลูกกรงออกไปแล้วทีม ไม่แหวกเนี้ยเาอยู่ในขอบเขตสบายไม่ยุ่งไว่าสามีหรือว่าภรรยาไม่สบายมันก็สบายหมดไม่ยุ่งเพราะไม่ไม่ใช่เรื่องถ้าลองให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยะนะาก็เหมือนกายฟได้ชือ้อสนะปิชาตาความมักน้อยมัก น, อ น, น้อยในอารมณ์ันตุถธคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปดุกลั่ ที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดทำขัดโลกไปที่ไหนโลกจะได้รับความถูกพอนี้ตั้งหาถ้าเลยนี่ต้องหาความสุขก็ได้แล้วก่อเรื่องก่อราวก่อกรรมก่อเวรขึ้นลงขึ้นศาลออกนั่นฆ่ากันพินาศเพราะความไม่อยูดอ่ดีของมีอยู่ขงตนถ้าเลยขอเขียดก็คือเลยความพอดีต้องก่อทุกข์ให้ต้งเขาทั้องเราทําทไปที่ไหนเหมาะที่นั่น มีขอบเขตที่นั่นพอดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงทําเข้าไปที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนความพอดีเกิดขึ้นความสงอบสุขเกิดขึ้นถ้ามีทำํำนะหาความสงอบสุขไม่ได้เลยอย่างเขาที่สร้างพลระเบิ ด, ดนิวโคงนิวเคลียรนิวตรอนตอนนี้กำลังดูซี่หรือว่าเขาจะมีความสูขหรือนั่นนั่นนะตัวไฟอ่ะแต่มันไม่รู้ยังไงแต่สังหารเขาก็เพราะว่าตัวมีอํานาจมีความเฉลียวฉลาด มีอิทธิพลเป็นใหญ่เป็นโตครอบโลกความสงสารแต่ความตายมันเท่ากันเนี่ยความวุ่นอยู่ภายกิจิตเพราะข้องขวายสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายคนอื่นในขณะเดียวกันก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือเพื่ออํานาจศาสนาทรงอํานาจสงฆตัวไว้มันก็เป็นกองทุกคนเดียวกันหมดคนอื่นก็มีหัวใจ น, นว่าทําไมที่เราคิดเรายกตัวอย่างนี้มาให้ฟังนะ ไม่ใช่นิทานนะสมัยปัจจุบันนี้ทำถึง ท, ทองนะไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสมพร น, นี่นะท่านไปพักอยู่ที่ไ่นแล้วก็มีแมวใหญ่ตัวห <c oughs> นึ่งเลี้ยงไว้ในวัดอุดมสมพร น, นั้นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวเป็นีิสายเชื่องนี่พวกเขาขายน้ำยอมน้ำสีขายอะไรๆก็เขาขมาเอาเลีงตัวหนึ่งมา นั่งมานบนบ่าเขาหนึ่งมานะพอมาแล้วก็ปล่อยลืมเขาปล่อยแล้ะเขาไม่ร่างมันละปล่อลืมของคนปล่อยไม่ใช่ไมันก็จะไปขอเจ้าของแมววิ่งกันเจ้าของพอปล่อยแล้วก็มองเห็นแมวแล้วสอ่งมันอยู่ไม่เป็นสุขพ็ขอมองเห็นแมวแล้วก็ไปเล่นกับแมวแมวมก็นั่งเฉย รูปนั้นคำนี่เขาไปรูปหางมั่งร ja ูปอะไรมั右右่งแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทางหน้ามันมันก็แมวทีเดียวมันก็สิ่งนี้แล้วก็ใส่ชับเปี้ยงเขากองหน้านี่ก็กลับขึ้นไปแล้วยังกักกักกักเลยนี่เแมวมันตีแล้วมันตอบแล้วมันกันวิ่งขึ้นชะลาอิ่งนั้นก็เสียงกักกักวิ่งขึ้นวิ่งลงนั้นหมันเจ็บมากมันผูกก่ะคาเข้าใจมไ้มนั่นนี่มันเจ็บแล้วมันผูกก่ะคาแล้วกั ไอ้แมวตัวนี้ก็ตบก็แล้วก็แล้วแล้วไปนี่ก็ลงไปทางนู้ดอีกนานๆนไม่ใช่นานวันนาก็ลงไปทางนู้ดอีกไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นหน้าที่นี่พราะว่าเห็นแล้วมันก็ดั่ไปละข้าหลังเลยนะนักเห็นไหมดั่มไปก็แอบไปข้างหลังเลยแต่ข้างหลังแมวตัวนั้นมันหันหน้าทางนู้นตัวนี้ก็ด้่มไปน้องไกระจับหางกระตกตรนี้ก็แมวสิไอันนี้ก็วิ่งขึ้นตรงไปไม่รองสักุูบแก๊กเลยนะว่ากูได้ทีเวลวกูว่างแล้วกูแก้แค้นมันคงว่างงั้นนะ กระตกหางแมวตอนนี้แมวก็แมวทีนี้ไอ้นี่ก็วิ่งกินสลาไอ้นั่นก็โดดขึ้นต้นไม้นั่นนี่เห็นไหมมันแก้กันอย่างนั้นมันแก้แค้นกันมนุษย์มันหัวใจมียิ่งมนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์มันก่อกรรมก่อเวรกันอยู่อย่างนั้นเละมันมีหัวใจกันท่านจึงว่าในเวเระเวลานีิสมันติกาคุถาจันังเวรย่อมไม่ละนะเพราเวรตั้งแต่การในไหนมา แต่เวียนจะครับเพราะความไม่เวีนเท่านั้นสถานที่สกรปรกโสโครกจะเอาน้ําไปล้างให้สะอาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกรปรกต้องล้างด้วยน้ําที่สะอาดการชนะจิตใจของคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธมาเราโกรธรับไม่ได้เหมือนกับเอาน้ําที่สกรปรกไปเทลงในสถานที่สกปรกนั่นเองมันก็เพิ่มความสกรปรกยิ่งขึ้นต้องชาล้างสถานที่ ส, สกรปรกด้วยน้ําสะอาด ต้องช้านล่างความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่า น, านั้นนี่ทำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเองแล้วเราหาขัานที่ไหนได้หลกกตาห่างเหินทำกับพอความเดือดร้อนขึ้นรู้ยุ่งไปหมด แบบใครฉลาดเป็นอย่างนั้นกอดทุกให้กันมันฉลาดเมื่อไหร่มนุษย์ถ้าลงกอดทุ่กันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่ชะมัด ม, ม, มีแี่เจ้าของระภูมใจเจ้าของว่าฉลาดคนอื่นเขาแย่งจะตายแล้ว